พวกอยู่วัดส่งกันบ้านไอช้ชีมาจากไหนล่ะอยู่ยุทธหยา ถูกนะนพระอภิธรรมบอกว่าสมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดตัญญางั้นจุดแรกเราต้องเรียนให้ได้ตัวสมาธิที่ถูกต้องสะ ก, ก่อนสมาธิที่ถูกต้องจิตเป็นมหาภูสลเรียนอภิธรรมพระนนฟุงฟ้งละฟุ้งซานละ รู้สึกไหมเนี่ยดูจากของจริงนะถ้าเราภาวนาแล้วเราจะเห็นสภาวะธรรมนะการทํางานของสภาวธรรมนะมันก็เหมือนในตําราแล้วแหละแต่คนภาวนาเนี่ยคนปฏิบัติเรียกชื่อไม่ถูกแค่นั้นเองถ้าคนเรียนอย่างเดียวนะจะไม่มวันเข้าใจธรรมะเลยมันไม่เห็นสภาวะอย่างขนาะเนี้ย ไม่ชีรู้สึกไหมความสนใจมันมาอยู่ที่หลวงพ่อก็อะนะย้อนมารู้สึกอยู่ที่ตัวเองย้อนมาอยู่กับตัวเองถ้าเรายังกลับเข้าม า, าหาตัวเองไม่ได้ก็ไม่มีวันเจอตัวเองก็จะหลงไปในโลกของความคิดตลอดเวลา งั้นใจฟุ้งซ่านมากต้องทำสมถาก่อนนะหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวนะไม่ต้องคิดมากว่าทําแล้วจะได้อะไรหายใจแล้วรู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตัวเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนรู้สึกใจเป็นคนดูนะไปฝึกตัวนี้นะไม่งั้นทําไม่ได้หรอกใจฟุ้งเกินไปขนะองโยมอ่ะ เต้นเต้นก็รู้เอานะขนาะนี้จิตเราอยู่ข้างนอกรู้สึกไหมจิตมันไม่ได้ตั้งมั่นจริงลองหายใจให้ใจเฉยๆอย่าดึงจิตนะหายใจเฉยๆหายใจแล้วรู้สึกสบายๆไปค่อยๆทําไม่ต้องสนใจหลวงพ่อ สังเกตไหมจิตเรากระชอกไปกระชอกมาตัวนี้ดูออกไหมให้เรารู้ทันจิตที่มันหลงออกข้างนอกอย่างขนาดนี้ออกมาที่หลวงพ่ออีกแล้ววิ่งมาที่หลวงพ่อแล้วก็สลับไปคิดหลงเนี่ยเมือกลงไปคิดมาที่หลวงพ่ออีกเราก็เห็นสภาวะอย่างนี้เป็นการเพ่งนะ เราจ้องลงไปใจมันจะนิ่งนิ่งอันนั้นจะได้แต่สมถะเป็นสมาธิชนิดเพ่งอยู่ในอารมณ์เดียวเรียกอารมณ์โนปนิชานเลยต้อฝึกสมาธิชนิดที่จิตตั้งมั่นแล้วเราถึงจะเห็นใจรักได้ตอนนี้ลงไปคิดแล้วรู้สึกไหมหลงไปคิดแล้วรู้ลงไปคิดแล้วรู้ฝึกไปนะไม่มีหน้ากาบหรือ เออ ส, ส่เดี๋ยวเ๋ยไปติดเชือนน้อจากคนโน้นคนนี้มาลำบากออจริงจริงกรรมฐานอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละกรรมฐานจะขยับอย่างโลวงพ่ะเทียนก็ได้ขยับเรารู้ทันใจตัวเองก็เหมือนกัน หลวงพ่อรู้จักหลวงพ่อคำเขียนรู้จักหมหลวพรอคําเขียนภาวนาเก่ง น, นะหลวงพ่อคำเขียนบอกว่าสิบสี่จังหวะเนี่ยมันเกิดทีหลังแต่เดิมหลวงพ่อเทียนนะสอนการเจริญสตินี่คนทําไม่ค่อยได้ถ้าไปสอนนเรื่องสิบสี่จังหวะให้มานี่คนไปให้ความสําคัญกับการทําจังหวะไม่ได้ให้ความสําคัญกับจิตใจตัวเองคาสติ ลองทำให้หลวงพ่อดูจะใช้จังหวะหรือใช้อน า, าปานาสติก็ได้ปฏิบัติเหมือนที่เราทำจริงลองทำไปเออทำอย่างที่เป็นนั่นแหละใช้ได้นะไม่ไม่ได้เสียหายอะไรการทำกรรมฐานนะ อยู่ๆจะให้เข้าทางสายกลางพอดีนะจะย่อหย่อนเกินไปนเมื่อต้นจะเพ่งไว้ก่อนนิดนิดหน่อยๆก็ได้แล้วรู้ว่าเพ่งนะพอใจมันสงบลงไปมันคลายการเพ่งออกมันพอดี <c oughs> เห็นใจที่เคลื่อนไปมาไหมนั่นแหละไปนั่งอย่างนั้เราก็รู้ทันใจอย่างนั้นแหละถูกแล้ว <c oughs> ยังฟุ้งอยู่ ใจมันยังฟุ้งซ่านอยอ่พุทโธไม่ใช่เพื่อสงบนะพุทโธเป็นแค่เครื่องสังเกตใจตัวเองอย่างเราจงใจคิดคําว่าพุทโธนั้นพุทโธเป็นความคิดเราจงใจคิดพุทโธเพาเราขาดสติเมื่อไหร่มันจะแอบไปคิดเรื่องอื่นแทนพุทโธนั้นพุทโธนะเพื่อจะเอาไว้สังเกตใจตัวเองเวลามันหลง ลงไปคิดเรื่องอื่นนึกออกไหมพุโทโธพุโทโธคนเดียวนั่นก็หนีไปเรื่องอื่นละตรงที่เราขาดสติจะหนีไปคิดเรื่องอื่นเอออย่างนั้นถึงจะดีนะไม่ใช่พุโทโธให้จิตนิ่งนะนั้นตื้นไปพุโทโธเรารู้ทันจิตพุโทโธพุโทโธแว บ, บเดี๋ยวหนีไปคิดเรื่องไวรัสโคโรน้าอะไรอย่างเงี้ยรู้ทันว่าจิตมันลง คอรู้ทางจิตที่หลงไประยะระยะไปเรื่อยพุโทโธพุทโธหลงอีกรู้พุโทโธพุโทโธหลงอีกรู้อย่างนี้เรื่อยๆต่อไปจิตจะจำสภาวะของการหลงได้พอจิตหลงปุ๊บสติจะเกิดเองสติเกิดจัจิตจําสภาวะได้แม่นยังฟุ้งอยู่ต้องทำภาวนาทีที พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเร็วๆหน่อยเวลาจิตสงบแล้วก็พุทโธช้าๆแน่นนะมันเป็นผลละเป็นวิบากเป็นตัวทุกไมันก็อยู่ในกฎของไตรวัตไตรวัตตะกิเลสกรรมวิบาก มีกิเลสอยากปฏิบัติอยากดีอยากสงบอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้มีความอยากมีกิเลสล้วก็เริ่มบังคับจิตการบังคับจิตตัวเองคือการกระทำกรรมเกิดวิบากคือความทุกข์งัถ้าเรารู้ตั้งแต่ใจมันอยากปฏิบัติเนี่ยรู้ตั้งแต่ต้นทางมันก็ไม่เพ่งเมื่อมันไม่เพ่งมันก็ไม่อึดอัดตัวอย่างมีเหตุมีผลทั้งหมดแหละ งันะ้นคอยสังเกตเอาใจโลภขึ้นมาก็รู้นานใจตัวเองไปได้่ใจอยากขึ้นที่ไรรู้ใจอยากที่ไรรู้นะหัดตัวนี้เยอะๆอย่างเราอยากให้คนเขาดีกับเรานะเราอยากให้ไม่มีปัญหาอย่างเงี้ยความอยากอะไรเกิดขึ้นรู้มันไปเลื่อยๆทันทีที่เรารู้ความอยากนะความอยากจะถูกละโดยอัตโนมัติ พระพุทธเจ้าสอนบอกว่าทุกข์ให้รู้ทุกข์ก็เป็นตัวผลให้รู้และสมูทัยให้ละละที่ตัวเหตุนั้นใจเราอยากเรารู้ทันมันจะดับใจเราไม่ทํากรรมตัวทุกข์มันก็ดับตัวทุกข์มันก็ไม่มีอยู่ๆเราจะไปดับตัวแน่นเนี่ยไม่ได้ตัวนี้เป็นตัววิบบากตัวแน่นตัวแน่นก็คือตัวทุกข์ ทำยังไงแต่ตัวทุกข์รู้ว่าแน่นทุกข์ให้รู้สมุทยัยตัวอยากให้ล้าแน่นแล้วอยากหายรู้ว่าอยากนะาการภาวนาะไม่ได้ยากอะไรจับหลักให้แม่นทําให้ได้ทำให้ถูกหลักไม่ได้ยากเย็ยนอะไรนะแม่ชีมีจุดอ่อนนะแม่ชีคิดมากคิดมากยากนาน แล้วโอ้แสดงว่ญญาเมื่อก่อนดีดรู้สึกตัวเลยได้ใครอยากถามอะไรหลวงพ่ออีกมีไหมไม่มีดีใช้ได้คำถามมันไม่มีอะไรหรอกมันก็เกิดจากความสงสัย คำถามนี้มีสองพวกนะพวกหนึ่งสงสัยอยากรู้อยากรู้รู้ว่าอยากซะความสงสัยก็ดับเกิดดับแล้วก็เห็นสภาวะความสงสัยเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเช่นเดียวกับสภาวะอื่นอื่นอันนี้นึกว่าเราได้ปฏิบัติอีกตัวหนึ่งที่ทําให้อยากถามหรืออยากอวดอยากอวดว่ารู้เยอะ ถามว่าจะได้ดูดูดีมีนะบางคนถามเอาโก้ไม่รู้หรอกว่าผูู้บาอาจารย์เห็นแล้วขำถูกกิเลสจูงจมูกอยู่ไม่เห็นนะอยากอวดบางคนก็อยากอวดความรู้อยากอวดว่าภาวนาเยอะภาวนาดีให้รู้ทันเ่ะ อีกพวกหนึ่นสงสัยจริงๆสงสัยให้ดูต้นต่อความสงสัยมาจากความคิดทั้งนั้นแหะไม่คิดกาไม่สงสัยหรอกแต่ห้ามความคิดไม่ได้ความสงสัยก็เกิดความสงสัยเกิดแล้วทํายังไงความสงสัยก็เป็นสภาวะอันหนึ่งเราก็เห็นสภาวะนี้เกิดขึ้นแล้วมันก็จะตั้งอยู่แล้วมันก็จะดับไป เรียกวเราปฏิบัติตลอดสายเลยไม่ถูกความสงสัยหลอกให้ฟุ้งซ่านคนทั่วไปพอสงสัยก็จะฟุ้งซ่านคิดหาคําตอบเลยคิดว่าจะไปถามหลวงพ่อได้ยังไงดีใจยิ่งฟุ้งใหญ่นั้นสงสัยรู้ว่าสงสัยสงสัยเกิดแล้วก็จะดับให้ถูกความสงสัยมีเหตุคือการคิดพอรู้ไป เพราภาวนาจริงๆไม่ค่อยมีคำถามหรอกพวกที่มีคำถามคือพวกไม่ค่อยภาวนาพวกคิดมากพวงพ่อเธอบอกคิดมากยากนานเพราะไม่เห็นสภาวะความคิดเรื่องราวที่คิดเรียกว่าอารมณ์บัญญัติไม่มีสภาวะรูปธปรรมนามธรรมรองรับแต่ถ้าเรารู้ว่าใจคิดรู้ว่าจิตคิดตัวนี้คือรู้จากสภาวะตัวหนึ่งนะ ตัวพิทตบตัวอุทธัจฉะความฟุ้งซ่านเราเห็นอย่างนี้เห็นแล้จิตมันฟุ้งแล้วจิตมันคิดแล้วรู้ว่าจิตคิดไม่ใช่รู้เรื่องที่จิตคิดรู้ว่าจิตมันแอบเป็นคิดจิตมันลงไปคิดรู้อย่างนี้ไม่ใช่รู้เรื่องที่มันคิดเรื่องที่มันคิดเป็นอารมณ์บัญญัติี Cher, เพอร์เจอร์เพื่อนๆลอยๆไม่มีสภาวาะเลยอย่างพวกเ ร, เราคิดว่าเราขึ้นมาดารงตาแหน่งแทนท่านสีจิ้นผิงเนะี่ยก็คิดได้ใช่ไหมในความเป็นจริงมันไม่ใช่ตอนนี้เราก็ไม่ได้เป็นอะไรหรือเป็นผู้หญิงคิดว่าเราเป็นนงางงามจักรวาลก็คิดได้แต่ความจริงไม่เป็ น, นความคิดไม่ใช่ความจริงนะแล้วแต่จะมะโนนึกเอาเอง นั่นตัดจิตคิดเนเป็นเรื่องจริงรู้ทันจิตที่คิดใช้ได้รู้ทันเรื่องที่จิตคิดแมวไหนนี่ใครก็รู้ไม่ต้องภาวนาก็รู้แต่การจะรู้ว่าจิตคิดไม่ภาวนาไม่เห็นหรอกรู้เรื่องที่จิตคิดใครๆก็รู้ ทำยังไงจะเห็นว่าจิตคิดพามันคิดซะเลยนะจงใจคิดพุดโทโธพุโทโธไปแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นว่าจิตม่แอบไปคิดเรื่องอื่นได้เองเนะี่ยปิดอย่างนี้นะแล้วไม่นานเราจะเห็นว่าเอ้ยจิตหลงคิดแล้วเดี๋ยวก็หลงคิดแล้วพอรู้ทันการหลงคิดก็ดับนะไม่ต้องไปทำอะไรมันดับเองถ้จิตหลงคิดเป็นอกุศลจิตจี่เปจิตฟุงสร้าง มีสติรู้ทันความพุ่งซ่านจะดับพอความพุ่งซ่านดับสีก็ตั้งมั่นแล้วก็อยู่กับพุโทโธอยู่อะไรก็เราไปพอหลงเดี๋ยวก็หลงอีกหลงอีกรู้อีกหลงอีกรูอ้อีกไปเรื่อยแต่ไปจิตจําสภาวะที่หลงได้แม่นพอหลงปุ๊บรู้ปั๊ บ, บ, บเลยสติเกิดเ อ, องน้นเบื้องต้นต้องทํากรรมฐานไม่สักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตที่หลง ไปฝึกตัวนี้ให้ดีนะทุกค น, นต้องฝึกถ้าไม่งั้นเราจะไม่ได้ใจที่ทรงพลังไี่มีแต่ใจเหลวไหลไหลไหลอ่อนแอป่อแป้แป่อแปอนะล้มล้มล้มไปล้มมาอยู่ด้ต้องฝึกทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมาหลวงพ่อมไม่ได้บอกว่าทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วบังคับจิตให้นิ่งนะคนละโลกกันเลย ทำกรรมฐานอย่างหนึ่งก็คือราเรืรู้อารมณ์กรรมฐานไปจิตสงบก็ช่างจิตฟุ้งซ่านก็ช่างจิตชั่วก็ช่างจิตดีก็ช่างเพียงแต่ว่าจิตสงบก็รู้จิตฟุ้งซ่านก็รู้จิตดีจิตชั่วก็รู้แค่นั้นเองรู้อย่างที่มันเป็นไม่ยากเย็นอะไรนักหนาหรอกพวกเรามาวัดนะนะ ก็ต้องรับผิดชอบกับสังคมนะรับผิดชอบอย่างน้อยเราก็ต้องพยายามให้แพร่เชื้อโรคให้คนอื่นนะใส่แมสใส่ไลค์ไปเรามาอยู่ที่ที่คนอื่นเขาอยู่กันด้วยช่วยกันระวังช่วยกรักษาอย่างสมมยว่าเราไม่สบายเราเพิ่งกลับมาจากเกาหลีเราเป็นผีน้อยนะแอบออกมาจากบ้าน มันอยู่ที่คนเยอะๆมันจะเปลี่ยนจากผีน้อยเป็นผีมากมันจะติดต่อกันเยอะเพรนมีความรับผิดชอบต่อสังคมถึงเราที่ว่าเราไม่ได้ป่วยก็ตามเรามาจากที่ที่อาจจะป่วยได้อย่ามาวัดอยู่บ้านไปอย่าออกมานอกบ้านรับผิดชอบต่อส่วนรวมบ้าง คนที่รับผิดชอบต่อส่วนรวมนะคือคนที่ไม่เห็นแก่ตัวคนเห็นแก่ตัวไม่รับผิดชอบส่วนรวมหรอกจะเอาแต่ประโยชน์ตัวเองคนเห็นแก่ตัวภาวนาไม่ขึ้นหรอกเพราะเราภาวนาเพื่อลดละความเห็นแก่ตัวภาวนาไปเรื่อยๆอย่าว่าแต่จะเห็นแต่ตัวเลยนะมันเห็นกระทั่งว่าตัวเราไม่มีจริงไม่เห็นถึงขนาดนั้น งั้นถ้าเราเริ่มด้วยความเห็นแก่ตัวนะไม่ได้กินหรอกอย่างบางคนมาวัดนะเห็นแก่ตัวต้องแย่งกันนั่งข้างในเวลาเช้าเช้านะมาวิาวนะ่วงแย่งกันนั่งมีข้าวก็แย่งกันกินเห็นแก่ตัวนะภาวนาไม่ขึ้นหรอกเพราะมันรักตัวเองเกินไปเมื่เราภาวนานะท่านถึงสอนให้ทําทานให้รักษาศีลนะเพื่อไม่ให้เห็นแก่ตัว ให้เอื้อเฟือเฟ้อเผื่อแผ่คนอื่นช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือสัตว์อื่นใจที่ไม่เห็นแก่ตัวใจที่เอื้อเฟือ้อเผื่อแผ่มันโปร่งโล่งเบาภาวนา ง, ง่ายใจที่เห็นแก่ตัวมันจะเครียดง่้นเราไปฝึกตัวเองอย่าเห็นแก่ตัวอย่างเราไม่สบายหรือเรามาจากประเทศที่กำลังมีโรคระบาด คนจีนกลุ่มนี้ไม่เกี่ยวกลุ่มนี้มาก่อนก่อนจะมีโรคระบาด mm hmm. นี้ถ้าเรามาที่หลังนี่คนไทยด้วยไม่ใช่เฉพาะคนจีนคนจีนไม่ค่อยน่ากลัวหรอกคนจีนมีระเบียบวินัยนีคนไทยตามใจตัวเองงทีมีนะมาจากยุโรป ทีมงานก็บอกว่าอย่าเพิ่งเข้ามายุ่งในสลาไม่ยอมนะลุยเขามานั่งอยู่กลางกลุ่มคนไหมจต้องมาคุยกับหลวงพ่อให้ได้อันตรายมากเลยกับคนส่วนใหญ่อ น, นี้เห็นแจ่ตัวไม่มีทางภาวนาหรอกถ้าใจเราคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมคิดถึงประโยชน์ผู้อื่นนะ ภาวนางน่ายใจมันมีเมตตามีเมตตามีกรุณาเมตตาอยากให้เขาเป็นสุขนะกรุณาอยากให้เขาไม่ทุกข์อย่างเราอาจจะมีเชื้อโรคเราก็อยากให้เขาไม่ทุกข์ออกไปห่างๆเขาอยู่บ้านเราใจที่มีเมตตากรุณาเป็นใจที่มีความสุขนะสงบสุข สมาธิจะเกิดง่ายสมาธิจะเกิดง่ายเพราะสมาธิมีความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดใจที่มีความสุขร่มเย็นเป็นสุขสมาธิมจะเกิดเองใจที่มีสมาธิรู้เนื้อรูร้ตัวไปปัญญาจะเกิดถ้าเห็นแต่ตัวคิดแต่จะแย่งเขาจะแย่งเขาใจจะฟุ้งซ่าน งั้นเราพยายามลดละความเห็นแก่ตัวพอเราไม่เห็นแก่ตัวแล้วต่อไปเราจะเรียนรู้ความจริงของตัวเราเองได้ชัดเจนถึงจุดหนึ่งจะรู้ว่าตัวเราจริงๆไม่มีหรอกเหมือนฝันตปฝันว่าตัวเรามีอยู่รเราจะโลกของความคิดความฝันเนี่ยเพราะว่าตัวเราไม่มีร่างกายนี้ที่เราเคยคิดว่าเป็นตัวเราก็เป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุที่เราอาศัยโลก ยืมโลกมาใช้ร่างกายเราเป็นธาตุนะเรายืมอากาศยืมน้ำยืมอาหารเป็นวัตถุของโลกมาใช้ไม่ใช่ของเราหรอกถึงจุดหนึ่งก็ต้องคืนให้โลกทั้งหมดที่ได้มาก็ต้องคืนทั้งหมดคนจีนสมัยก่อนก็มานอนอยู่ในหวงซุ้ยอยู่แถวนี้เยอะเลยก็คืนให้โลกไปความรู้สึกทั้งหลายก็เหมือนเราฝันอยู่ ฝันว่าสุขฝันว่าทุกข์ฝันว่าโลภว่าโกรธว่าหลงฝันว่ารักฝันว่าเกลียดอะไรเงี้ยเหมือนความฝันเท่านี้ถึงเวลาตื่นนอนทุกอย่างก็หายไปหมดพยายามรู้สึกไปนะคอยรู้คอยดูเรียนรู้ความจริงของกาย่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราความรู้สึกในกจิตทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราของเราเหมือนความฝันความฝันมันไม่มีจริงหรอก มีเหตุแบบฝันฝันค่อยรู้ค่อยดูไปนะที่เห็นถึงจุดหนึ่งก็จะรู้เลยตัวเราไม่มีเหมือนกำลังฝันว่ามีอยู่อย่างนั่งอยู่ตรงนี้ภาวานาไปเราจะรู้สึกเหมือนฝันว่ามันนั่งอยู่ตรงนี้ตื่นจากฝันก็ทุกอย่างหายไปหมดพ่อแม่พี่น้องลูกเมียทรัพย์สมบัตินะไรหายไปหมดแล้วไม่มีอะไร หลงเหลือติดไม้ติดมือเป็นความจริงกับเราเลยการฝึกตัวเองนะฝึกไปอาหัรไปทางนั้น